การตอบปัญหาในพระศาสนาเนี่ยนะเรียกว่าอย่างแรกเรียกว่าเอกังสะพยากรสา ม, มารถตอบได้โดยส่วนเดียวก็ได้การตอบปัญหาอย่างบางอย่างเรียกว่าวิภัชชะเนี่ยนะคือปัญหานั้นต้องแยก ต, อ, uh ตอบเนี่ยนะปัญหา<ๆ>บหาบงอย่างก็ต้องถามถามความประสงค์ของของคนถามก่อนแต่อย่างอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายคือไม่ต้องตอบ ปัญหาข้อแรกที่ว่าต้องตอบได้โดยส่วนเดียวเนี่ยนะเช่นก็ถามว่าจักรโซเที่ยงหรือไม่เที่ยงโสตะเที่ยงหรือไม่เที่ยงคานะเที่ยงหรือไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเที่ยงหรือไม่เที่ยงเลยถ้ายังไงตอบไปเลยว่าไม่เที่ยงมันไม่ต้องลังเลนะตอบได้โดยส่วนเดียวทีนี้ถ้าเขาถามว่าตากระหูนี่เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยนะเขาถามว่าตากระหูนี่เหมือนกันไหม ก็ถามว่าไอ้ที่คุณถามเนี่ยหมายในแง่ไม่เที่ยงหรือว่าในแง่าการเห็นกับการได้ยินอนนะถ้าท่านถามในแง่ของถูกปัจจัยปรุงแต่งตากับหูทั้งคู่ก็ไม่เที่ยงแต่ถ้าโดย อ, อินรีแล้วคนละอย่างกันวิสัยคนละอย่างรับอารมณ์คนละอย่างอันนี้ต้องต้องแยกใช่ไหมต้องแยกตอบให้ให้รู้ว่าความประสงค์ของเขาเป็นยังไงเดี๋ยนะเขาถามในแง่ไหน อีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาที่ตอบไม่ได้เลยคือเนี่ยอัพยยากตะปัญหาซึ่งปัญหาเรื่องลัทธิทั้งหลายแหละที่ว่าโลกเที่ยงไหมเนี่ยนะหรือท่านมีความเห็นว่ายังไงเนี่ยเขามีในมาลุกะยะสูตรนี่น ะ, ะมาลุงะยาสูตรเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าตอบปัญหาสิบข้อเนี่ยถ้าพระองค์ตอบเขาจะบวชถ้าพระองค์ไม่ตอบเขาจะศึกเนี่ยนะ ทีนี้พระองค์ก็ไม่ตอบปัญหาเหล่านั้นคือถามว่าทำไมจึงไม่ตอบเพราะว่าคําสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยมีจุดมุ่งหมายชัดเจนใช่ไหมที่ที่ที่บัญญัติคําสอนมาเนี่ยท่านคําสอนโดยหลักการอย่างน้อยที่สุดคําเหล่านั้นต้องเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์คําว่าเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ก็คือเบื้องต้นแห่งอริยมรรคหรือเบื้องต้นของศีลสมาธิปัญญา คำใดถ้าเป็นเบื้องต้นแห่งศีลสมาธิปัญญาจะตอบคำนั้นจะที่บายสิ่งนั้นอันนี้อย่างหนึ่งหรือคําที่ตอบไปแล้วเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายในยวตฏนะถ้ารวมย่อๆก็คือคําถามคําตอบต้องเป็นไปเพื่อวิปัสสนาต้องเป็นไปเพื่อมรรคผลต้องเป็นไปเพื่อนิพานจึงจะตอบเนี่ยนะเรื่องนั้นจึงจะเอามาคุยกันถ้าอะไรถ้าไม่เป็นไปเพื่อเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพื่อวิปัสนามรรคผลเนี่ยจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ยอมตอบเรื่องนั้นจะไม่ตอบเรื่องนั้นด้วยอย่างเช่นในโกกนุทสูตรเนี่ยนะสมัยหนึ่งท่านท่านนอยู่ที่ตโปโธทารามใกล้พระนครราชครึกตโปโธทารามในตรงน้ําพุเนี่ยสมัยพุทธกาลนี่เป็นวัดนะตรงนั้นน้าพุที่เขาไปอาบน้ำล้างบาปตรงนั้นนะสมัยนั้นเป็นวัดครั้งนั้นแหละท่านท่านนลุกขึ้นแล้วในเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรี ได้ไปยังแม่น้ำตาปโปทาเพื่อส่งน้ําครั้นส่งน้ําที่แม่น้ำตาปโปทาแล้วก็กลับขึ้นมามีจีวรผืนเดียวก็ยืนผึ่งตัวอยู่ก็คือส่งน้ําเสร็จอนะก็นุ่งสบงผืนเดียวอ่ะแล้วก็ยืนผึ่งลมเนี่ยนะผึ่งให้ให้ตัวมันแห้งอ่ะนะแม้โกกนุทะปริภาชกลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรีได้ไปยังแม่น้ำตาปโปทาเพื่ออาบน้ํา ก็เป็นน้ําอุ่นนะนะตรง น, นั้นเป็นบ่อน้ําอุ่นอยู่แล้วท่านเขาจะไปอาบเช้าๆสบาย <c oughs> เขาก็โกกนุษฐาปริภาชคได้เห็นท่านทานนเดินมาแต่ไกลเที่ยวขั้นแล้วได้ถามท่านท่านนนว่าดูก่อนอาวุโสใครอยู่ในที่นี้ท่านท่านนก็ตอบว่าดูก่อนอาวุโสเราเป็นภิกษุนั่นแหะคือคือสมัยนั้นศาสนามันเยอะใช่ไหมคือก็เหมือนกับสมัยนี้ท่านสายไหนอย่างนั้นเถอะตั้งคำถามว่าท่านสายไหนนะนี่ก็เหมือนกัน เป็นพระพิสุว่า ง, งั้นถ้าใช้คําว่าพิกษุรู้เลยว่าเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาโกกนุทตะปริภาชกก็ถามมาดูก่อนอาบุโสเป็นพิสุเนี่ยพิกษุพวกไหนะนะเนานนก็ตอบว่าดูก่อนอาบุโสเราเป็นพวกสั ม, มณะสักยบุตรคือคําว่าสัมพิสุเนี่ยโดยสั์แปลว่าผู้ขอใช่ไหมแหม่กลุ่มไหนเนี่ยกลุ่มสั ม, มณะสักยบุตรอย่ ง, ง น, นั้นแหละ โกกนุทถปริพาชกโกกล่าวว่าข้าพระเจ้าพึงถามข้อข้องใจบางอย่างกับท่านหากท่านจะให้โอกาสเพื่อแก้ปัญห า, านะก็จะตั้งคาถามจะขอถามหน่อยพระนนก็บอกว่าเชิญเถิดถามเถิดอาบูโสเราฟังแล้วจักกล่าวแก่คือฟังดูก่อนแล้วชกโก้แก้แต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้านะประวรณาเลยบอกถามเลยถ้าเป็นพระพุทธเจ้านะแต่ถ้าเป็นคนอื่นๆเว้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย คือบอกว่าฟังแล้วจักรู้ว่าจะแก้หรือไม่แก่นะแค่ออว่าให้ถามมาก่อนคือฟังแล้วค่อยแก้แต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยประวรณาด้วยสัพพันญูเลยถามได้เลยถามได้ทุกเรื่องว่างั้นเถอะทีนี้โกกนุทถาปริพาโชคถามว่าท่านผู้เจริญท่านมีความเห็นอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าหรือหนอนันะ คำถามลักษณะอีทางสัจจาพินิเวสกายคันถาเนี่ยนะก็คือท่านถือว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่ใช่ใช่ไหมว่าโลกเนี่ยเที่ยงไอคําว่าโลกในที่นี้หมายถึงขันห้าคือมีอยู่ห้าห้าประเภทนะพวกลัทธิว่าโลกเที่ยงอ่านะบางคนก็ถือว่าโลกคือรูปเที่ยงบางคนก็ถือว่าโลกคือเวทนาเที่ยงบางคนคือโลกคือสัญญาโลกคือสังขารหรือโลกคือวิญญาณหรือบางคนก็ถือทั้งห้าเนี่ยอ่านะ หรือบางคน ก, ก็ถือแต่บางส่วนไม่ครบห้าแต่สรุปก็ถือขันห้านั่นแหละคุณถือว่าโลกอันเนี้ยเที่ยงหรืออย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่ใช่ใชคำถามลักษณะนี้บุคคลที่ถามหรือคนที่ตอบถ้าตอบไปเลยเนี่ยบอกได้เลยว่าเขานี่เป็นรัฐที่อัตตาเพราะเขาถือขันห้าโดยความเป็นอัตตาก่อน เมื่อถือคำเป็นขันธ์ห้าโดยความเป็นอัตาก็หรือเท่ากับถือว่าขันธ์ห้านี้เป็นสัตว์เนี่ยนะรูปเป็นสัตว์เวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณนี้เป็นเป็นสัตว์งั้นคำถามว่าอันนี้ยเที่ยงหรือไม่ถ้าตอบว่าเที่ยงเป็นอะไรสัสตตตทิฐิเลยคือรับที่ว่าถือขันธ์ห้าเป็นสัตว์ก่อนสัสตว์เนี่ยเที่ยงหรือถ้าตอบว่าเที่ยงก็เป็นอ่ะสัสตตตทิฏิ ปัญผาโนนก็บอกว่าดูก่อนอาวุโสเราไม่ได้มีความเห็นอย่างนั้นคือไม่ได้เห็นแบบนั้นหรอกนี่ก็ถามว่าปกตินี้คนเนี่ยสมมุติว่าถ้าไม่ถือดําก็ต้องถือเขา่าใช่ไหยถ้าไม่ถือสัตตะก็ถืออุเฉตปัญพระโกกนุทาก็ถามต่อไปว่าท่านผู้เจริญท่านมีความเห็นอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยงสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าหรื อ, อนนเมื่อกี้ถามศัตตะใช่ไหม บอกไม่ใช่ว่าท่านเป็นอุเฉตหรือเปล่ามันกันนะคือถามว่าโลกเนี่ยไม่เที่ยงใช่ไหมปกติแล้วถ้าผู้ที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะเอ๊่น่าจะตอบว่าไม่เที่ยงใช่ไหมน่าจะถูกน่าจะตอบไปเลยว่าโลกเนี่ยไม่เที่ยงแต่ถามว่าทําไมท่านจึงไม่ตอบเพราะว่าพวกเนี้ยถือขันท่าอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นอัตตาอยู่แล้วยึดถือขันท่าโดยความเป็น สัตเป็นชีวะเป็นอัตตาอยู่ทีนี้ถ้าไปตอบว่าไอสิ่งที่เขาถือว่าเป็นอัตตาถ้าไปตอบว่าไม่เที่ยงพวกนั้นจะเป็นอุเฉดเนี่นยนะเพราะนั่นจึงเาบอกว่าข้าพเจ้าอไม่ได้มีความเห็นอย่างนั้นเนี่ยนะหมาความว่าถ้าหากว่าเรา <c oughs> ที่อยู่ในพวกภิกษุด้วยกันนี่นะเข้าใจคําว่าโลกนี้ก็หมายความว่าตอบได้เลยใช่ไหมครับว่าไม่เที่ยง <c oughs> ถ้าครับเข้าใจว่าโลกคือขันห้าโลกคืออุปาทานขันห้าถ้าอย่างนี้ก็ตอบไปเลยว่าโลกไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นคำถามแบบนี้โลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงเขาเนี่ยยึดถือโลกอันนี้โดยความเป็นสักรหรือเป็นอัตตาเนี่ยนะ<ม>ก็เหมือนกับตั้งคำถามว่าหมาตัวเนี้ยมันตายแล้วมันเกิดอีกหรือมันตายแล้วมันศูนย์เราตอบว่างไงไตไตแต่ว่าหมาเนี่ยเที่ยงหรือศูนย์ ถ้าตอบว่าหมาเนี่ยมันเที่ยงเป็นสัตตะถ้าตอบว่ามันศูนย์เป็นอุเฉตแล้วตกล ง, งให้ตอบว่าย่างไรหมามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงตกลงเอาไงดีคุณาพระเขาบอกว่าอย่าไปคุยเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องคุยเอาอันเนี้ยตอบตรงที่ตุดนะอย่ามาคุยเรื่องนี้เลยคุยเรื่องอื่นเถอะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนก็เหมือนกันนะคนเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไอ้ธรรมะเที่ยงเนี่ยเขาเขาไม่ได้เน้นไอ้เฉพาะตอนนี้นะ คือหลังจากตายแล้วมันเกิดอีกหรือมันไม่เกิดอีกะเที่ยงกระสูนเขาอยู่ตรงนั้นทำไมในสมัยพุทธกาลจึงใช้ศัพท์เดียวกันครับว่าโลกครับทั้งทั้งที่ผู้ที่ได้สดับแล้วกับผู้ที่นอกาศาสนาก็ใช้คําว่าโลกอย่างเดียวอคือเหมือนกับศัพท์ว่าอัตตานี่ยศัพท์ว่าอัตตาเนี่ยนอกาศาสนาก็ใช้ในาศาสนาก็ใช้ในในาศาสนาเนี่ยใช้คําว่าอัตตะสัมมาปณิธิเนี่ยนะ ก็ใช่ใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอัตตาสัมมาปณิทิทีนะภาวิตตานังเนี่ยนะคือผู้มีอันผู้มีอัตตาได้อบรมแล้วเนยก็ใช้นี่นเป็นสัพ์ภายในเหมือนกันหรืออัตตาทีปะอัตตาสรณนะให้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งแต่นอกาศาสนาก็ใช้ว่าอัตตาแต่ว่าศัพ์นี้อ่ะก็เรียกว่าเป็นศัพท์ที่ที่รู้กันใ น, ในวงในว่าขอบเขตแค่ไหนเดี๋ยนะเพราะว่าศับว่าอัตตาบางอย่างหมายถึงอัชะตะไม่ใช่พระหิทะ นะแต่ว่าไม่ใช่อัตราแบบเดียร์ธีคิดขึ้นนิสสาว่าโลกก็ก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะนะทีนี้เขาก็ถามคําถามที่สามว่าโลกเนี่ยมีที่สุดหรือนะอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าโลกมีที่สุดเนี่ยพวกนี้จะเป็นนาซายกสินเอ่อพวกสายกสินเนี่ยพวกนี้จะเจริญกสินไปเนี่ยมันเจริญแล้วมันสุดเนี่ยนะนะมันมันไม่สามารถแผ่กสินได้มากเพราะเขาเ้าถือว่าไอจิตที่แผ่กระสินอนะันนั้นเป็น อัตตาหรือเป็นโลกเนี่ยนะถ้าตั้งคําถามว่าโลกเนี่ยมีมีที่สุดใช่ไหมเขาถือว่าเป็นอัตตาแบบนั้นไปตอบตามไม่ได้นะนะหรือว่าโลกไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สุดคือพวกนี้มันขยายกสินได้มากเขาถือไอ้วงกสินหรือถือจิตที่ไปถือกสินนั้นว่าเป็นอัตตาเข้านี่ก็ถามว่าโลกมันไม่มีที่สุดหรือก็ไม่ใช่เมันมันเป็นโลกของจินตนาเหมือนกับจินตนาการขึ้นใช่ไหมแล้วถือสิ่งนั้นว่าเป็น สัตว์เข้าเมื่อถือว่าสิ่งนั้นเป็นสัตว์เข้าแล้วมันมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดเนี่ยเนี่ยมันก็ผิดตั้งแต่ตตั้งแ่การตั้งคำถามแล้วลัทธิที่ว่าโลกมีที่สุดกับไม่มีที่สุดเนี่ยเป็นทิฏฐิได้ทั้งสองอย่างเลยเป็นทั้งศัตสตะทิฏฐิและอุเฉทิฐิเนี่ยนะทีนี้ก็ถามว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นหรืออย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่ใช่คําว่าชีวะกับสรีระเนี่ยหมายถึงว่า ชีพกับสรีระนี่คือสิ่งเดียวกันคำถามแบบนี้แปลว่าตายแล้วศูนใช่ไหมคือถ้าชีพชีวะกับสรีระสิ่งเดียวกันนะเพราะสรีระมันต้องแตกทาลายเป็นธรรมดาใช่ัหมถ้าตอบว่าชีวะกับสรีระคือสิ่งเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวสัตว์ทั้งหลายปกตินะต้องตายอยู่แลนะ้วอ้าแล้วตายแล้วถ้าถ้าชีวะกับสรีระเป็นอันเดียวกันแสดงว่าจบที่เชิงตะกอนน่น ทานนเห็นอย่างนั้นหรือเปล่าท่านก็บอกไ pues, ม่ได้เห็นแบบนั้นเอาแล้วชีวะก็อย่างหนึง่งสรีระก็อย่างหนึง่งอะนนหมายก็บว่าอัตตาเนี่ยอย่างหนึ่งนะสิ่งที่แทรกอยู่ในขัน เ, เข้าไปสริระอย่างหนึง่งไอ้อัตตามันอยู่ในสรีระอันนั้นเพราะฉะนั้นสรีระแตกแต่อัตตาท่านไม่แตกมันไปต่อเนะี่ยนะท่านเห็นแบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยนะชีวอย่างหนึง่งสริระก็อย่างหนึง่งอันนี้ลัดที่สัสตติธิติทานนก็บอกไม่ได้เห็นแบบนั้น ถามว่าสัตว์เมื่อตายแล้วย่อมเป็นอีกหรืออะไรอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นใช่ไหมสรุปว่าสัตว์ตายแล้วเป็นอีกหรือไม่เป็นอีก <c oughs> นภาเอาไงนิทำไมพุ่งมาตอบเป็นตั้งหลายอย่างแล้วเอาไงนินี <c oughs> ค่คุณคุณกระจายสัตว์นี่ตายแล้วเป็นอีกหรือไม่เป็นอีกอะนะไก่เนี้ย ตายเออศาตว์ไก่เนี่ยตายแล้วมันเป็นอีกหรือไม่เป็นอีกเออเนะีอคำถามแบบเนี้ยเป็นคำถามที่พื้นฐานไม่มีการแยกแยะเลยเป็นคำถามที่ไม่ได้อยู่บนทิฐิวิสุทธิอ่านะคือไม่เคยทำสำน ว, นวนว่าไม่เคยทำยาตะปริญญาในวัตถุนั้นเลยแล้วเอาสิ่งนั้นออมาตั้งคำถามนะนั้นตอบไม่สมควรตอบแบบนั้นเถอะ ท่นก็บอกว่าสัตว์เนี่ยจริงๆแล้วอะความเป็นสัตว์เนี่ยท่านถ้าถามว่าไก่เนี่ยตายแล้วเที่ยงหรือมันตายแล้วมันศูนก็ถามว่าขนใช่ไหมเป็นไก่ใช่ไหมก็ต้องมาไ ล, นะ ล, ล่แยกกันนะเล็บมันหรือเปล่าเป็นไก่หรือจะงอยปากมันเป็นตัวไก่หรือว่าลูกตามันเป็นไก่นะอา้าวแล้วไก่ตอนนี้มันยังหาไม่เจอเลยนะจะถามว่ามันเที่ยงหรือมันศูนย์มันก็ไม่ควรไม่ควรตั้งคําถามลักษณะนั้นเนี่ยนะ มันนี่เรื่องเรื่องชีวิตก็เหมือนกันนะที่จริงก็จะบอกว่าคนนั่นแหละตายแล้วมันเกิดอีกหรือมันศูนย์เนี่ยนะเอะแล้วความเป็นคนเนี่ยอยู่ตรงไหนเห็นไหมหรือหรือคนมันไม่มีเอา <c oughs> คนนี่มีคนนี่ตายหรือศูนย์ตายแล้วศูนย์หรือตายแล้วเที่ยงตายแล้วศูนย์หรือตายแล้วเกิดอีกคนอะ่ะเอาข้อความเป็นคนยังเค่าว่าผมใช่ไหมเป็นคน เล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นใช่ไหมเป็นคนจริงๆแล้วผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยรวมๆกันแล้วโวหารว่าคนจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น ใ, <c oughs> ในผู้ที่ศึกษาธรรมะเนี่ยจะแยกเลยผมก็มาจากปัจจัยหนึ่งขนก็มาจากปัจจัยหนึ่งเล็บฟันหนังก็มาจากปัจจัยหนึ่งแล้วปัจจัยมันคืออะไรก็สาวไปโดยความเป็นเหตุเป็นผลสิ่งเหล่านี้สัมพันธ์กัน โ, โดยความเป็นเหตุเป็นผลขึ้นแต่ว่ามาถามแบบรวมๆแล้วถามรวมๆตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดอีก น, นถ้าใครรีบตอบนะบอกชั้นตายแล้วเกิดอีกแนะ่ชั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนตัวไหนเป็นตัวชั้นะ่ะเอาชั้นเนี่ยตายเกิดอีกตัวไหนเป็นตัวชั้นอะ่ะอะไรดีตรงไหนเป็นชั้นเราเนี่ยตายแล้วเกิดอีกหรือตายแล้วไม่เกิดอีกเนี่ยนะอะตรงไหนคือเราก่อนคำถามอันนะไอ้ความคิดเมื่อกี้เป็นเร า, เาความคิดเมื่อกี้มันเกิดจากปัจจัยนะ แล้วถามว่าความคิดอันใหม่เอวความคิดไหนอ่ะความคิดนั้นก็เกิดจากปัจจัยอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้หาเราก็หายังไม่พบเลยจึงไม่ควรถามว่าเราเนี่ยตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกแต่ก็รู้กันว่าโวหารในความเป็นกรรมัสโกมหิตคือเป็นของภายในตัวนะที่สัมพันธ์โดยความเป็นเหตุเป็นผลเพราะถ้าผู้ที่มีความเข้าใจที่เรียกว่า ละลับที่อัตตาหรือไม่มีสั ก, กายทิฐิอยู่เนี่นะการที่จะมาพูดเรื่องจุติปฏิสนธิเป็นต้นเนี่ยจะจะไม่ค่อยยากแต่ถ้าพื้นฐานไม่เคยแยกแยะเลยยิ่งกระว่ายิ่งถามแล้วก็ยิ่งยิ่งเรื่องไม่มีจบมีสิน้นเพราะลับที่ในโลกเนี่ยที่ไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะก็เนื่องจากอยู่บนหลักการว่าอัตตามีหรือสักสัตว์เนี่ยมี คือคืออยู่บนลัทธิอันนี้เมื่ออยู่บนลัทธินี้เข้าสิ่งเหล่านั้นอะจึงไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ทิฏฐิตัวนั้นไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นถ้าไปยืนอยู่บนลัทธิอันนั้นเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยเกิดไม่ได้เมื่อวิปัสสนาเจริญไม่ได้มรรคก็เกิดไม่ได้เมื่อมรรคเกิดไม่ได้ผลก็เกิดไม่ได้การทําให้แจ้งพระนิพพานมีไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี้เอ เรียกว่าบลูสีหนาฏเลยให้พระพิสุบลูสีหนาฏว่าลัธทธิอื่นว่างจากสมณะคำว่าสมณะเนี่ยก็คือผู้ที่ทำให้แจ้งโสดาปฏิผลเป็นต้นบอกว่าลัธทธิอื่นทั้งหมดเนี่ยว่างจากสมณะหมดเลยถามว่าทำไมทำไมลัธทธิอื่นจึงว่างจากสมณะเพราะลัธทธิอื่นอยู่บนพื้นฐานการยึดถือว่าอัตา ต, ม า, นะมตามีสัตมีเนี่ยนะมีอัตตามีสัตเนี่ยนะ เมื่ออยู่บนหลักการอันนั้นโดยที่แยกแยะอะไรไม่เป็นเนี่ยนะทิฐิอันนั้นไม่ได้เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่ได้เป็นเบื้องต้นแห่งวิปัสนาไม่ได้เป็นเบื้องต้นแห่งมัจไม่ได้เป็นเบื้องต้นแห่งผลไม่ได้เป็นเบื้องต้นแห่งการทำให้แจ้งพระนิพพานเพราะฉะนั้นลัทธิเหล่านั้นทั้งหมดว่างจากสมณะเนี่ยนะว่างจากพระอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะ แต่ว่าพื้นฐานอันนี้ถ้าไม่ศึกษาธรรมะกลุ่มยาตะปริญญาให้ดีนะจะแยกอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกขาริยศัสตร์เนี่ยพ้องจริงทำให้ทําปริญญาสัตว์โลกเนี่ยหลงหลงงมงายตั้งแต่ทุกขศัพท์แล้วนะหลงงมงายตั้งแต่ทุกขศัพท์ก่อนเช่นลทัทธิภายนอกเนี่ยนะเขาก็รู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครรู้หรือ ร, รู้รู้การเกิดด้วยรู้แก่ด้วยรู้เจ็บด้วยรู้ตายด้วย แล้วก็เขาพลาดพลาดเขาก็รู้จักนะการพลาดพลาดเขาก็รู้จักการพบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเขาก็รู้จักทุกกายเขาก็รู้ทุกใจเขาก็รู้ขับแค้นใจก็รู้แต่เขาประมวลสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นแยกแยะว่าเป็นขันห้าไม่ได้แยกแยะเป็นอาญาตนะแล้วสิ่งเหล่านั้นน่ะถูกสมุทัยเนี่ยเป็นปัจจัยปรุงแต่งขึ้นแต่เขาไม่ได้ถือแบบนั้นอ่ะเขาถือว่าเราเนี่ยคือตัวตัวทุก คือคือแยกแยกในเบื้องต้นไม่ได้เพราะนั้นในในธรรมะเนี่ยเบื้องต้นจะกล่าวว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจเป็นทุกข์แต่โดยย่อตัวทุกข์นั้นคืออุปาทานขันห้านะไม่ใช่สัตว์ะนะไม่ใช่บุคคลแต่คือขันห้าะนะรูปเกิดจากปัจจัยใช่ไหมใช่เวทนาเกิดจากปัจจัยสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณเกิดจากปัจจัย นะเพราะฉะนันขันทั้งหลายที่สืบเนื่องกันโดยโดยลําดับแห่งปัจจัยเหล่านี้เรียกว่าวัตตะเนี่ยนะแต่อาศัยสิ่งเหล่านี้จึงเกิดโวหารว่าสัตว์ขึ้นแต่ลทัทธิภายนอกเนี่ยสำคัญว่าเป็นสัตว์เลยเนี่ยนะอยู่บนหลักการของอัตวาทุปาทานหรือส ก, กายยะทิฐิพออยู่บนส ก, กายยะทิฐิความคิดหลังจากนั้นจะผิดหมดเนี่ยนะขอให้ยืนอยู่บนอ น, นั้นเถอะเหมือนกับใช้คําว่าเราอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าเออเรา นะอย่างตอนนี้เนยะไม่แยกว่าอะไรคือเราก่อนอะแยกไม่เป็นเลยเออเราเนี่ยอดีตการเรามีหรือเปล่ามีหรือไม่มีอดีตเนี่ยเรานะอดีตมีหรือไม่มีก็คําว่าเราตรงเนี้ยเราของคุณอนะมันคืออะไรใช่ไหมก็ต้องคำถามก่อนว่าเราของคุณเนี่ยคืออะไรก็ในปัจจุบันยังหาเราไม่เจอเลยอะนะแล้วอดีตจะมีเราได้ยังไงเนี่ยนะแล้ว เราเนี่ยจกมีหรือไม่มีในอนาคตต่อไปปัจจุบันนี้เราเองอ่ะนะตรงเนี้ยตรงอะไรคือเราตรงนี้ก็ยังหาไม่เจอแล้วอนาคตจะมีเราได้ยังไงเนี่ยนะแต่ว่าบัญญัติความสืบเนื่องแห่งขันที่เป็นไปเนี่ยโวหารว่าเราอะ่ะจึงจึงมีขึ้นแต่ลัทธิภายนอกเมื่อไม่มีการแยกแยะสําคัญอย่างนั้นจริงๆเข้าไปสําคัญว่าเป็นเราขึ้นเนี่ยนะ ผู้ที่มีความเห็นว่าไม่ใช่สัตว์เนี่ยนะพวกนี้จึงเป็นทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยนะเขาแยกแยะเป็นหมดว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนแต่สังคต ธ, ธรรมเนี่ยนะล้วนแต่ธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นย่ อ, ย, อ, ย, อย่อเลยก็มีแต่นามกับรูปขยายพิสดารไปกว่านั้นก็คือขันห้าขยายเพิ่มไปกว่านั้นก็คืออายตนาสิบสองขยายเพิ่มยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ถ้าสิบแปดขันนามรูปขันอายตนะธาตุสิ่งเหล่านี้อันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเนี่ยนะทีนี้ก็ตั้งคําถามว่าถ้ารูปมีอะไรเป็นเหตุจึงเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารมีอะไรเป็นเหตุจึงเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณมีอะไรเป็นเหตุจึงเรียกว่าวิญญาณขึ้นใช่ไหมอย่างที่กล่าวว่าเพราะมีมหาภูตรูปนะจึงบัญญัติว่า ว่ารูปรูปประคันเนี่ยขึ้นใช่ไหมเพราะมีภาษานะจึงบัญญัติเวทนาสัญญาสังขารขึ้นเพราะมีนามรูปนั่นแหละจึงบัญญัติว่าเวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นเหนไหนะแล้วสิ่งเหล่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยนะแล้วปัจจัยเหล่านั้นคืออะไรเช่นมหาพูดมีอะไรเป็นปจัจจัยก็ไล่ไปใช่ไหมมีกรรมมีจิตมีอุตตุมีอาหารเป็นปจัจจัยเวทนามีภาษาเป็นปจัจจัยภาษามีอะไรเป็นปจัจจัย สลายตนะอายตนะมีอะไรเป็นปัจจัยก็มหาพูดมหาพูดมีอะไรเป็นปัจจัยกรรมวิญญาณเนี่ยก็ไล่ไปแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยแก่อะไรต่อไปเพราะในที่สุดของผู้ที่แยกแยะได้อย่างนี้ท่านใช้คําว่าอิมัสะเกวลัสะทุกขขันธะสะสมุทะโยโหติอิมัสะเกวลัสะเนี่ยนะทุกขคันธสะสมุทยโยโหติหมายคือว่าทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยเกวลังเนี่ยปฏิเสธสัต ไม่มีสัตว์อยู่ในนั้นเลยแล้วคืออะไรคือกองทุก์ที่มีอยู่เท่านั้น น, นะมีแต่กองทุกเท่านั้นที่มีสมุทัยหรือคือมีเหตุทาไม่เกิดขึ้นเป็นไปตามกะแบบนี้แต่เมื่อไม่มีแยกแยกแยกเนี่ยกลักษณะลัทธเนี่ยโกรกนุษธะปริภาชคเนี่ย ตาถาคตเราเมื่อก่อนตาถาคตเคยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยนะสับเนี่ยจะพูดกับคนที่เป็นสัมมาทิฐิอยู่แล้วเนี่ยนะคือเข้าแยกกรรมออกแยกวิบากออกแยกเหตุแยกผลคือแยกกรรมและแยกวิบากเป็นเนี่ยนะมองเข้าใจสังสารวัฏเป็นอย่างดีสำนวนว่าเข้าใจประวัติเป็นอย่างดีนะใช้คําว่าประวัตินะประวัติมาจากศัพท์ว่าประวัตินะมาจากคําอะไรประวัติ ประวัติะตะก็ไทยๆเลยไม่เรียกว่าประวัติจริงๆก็คือถ้ากรถามว่าทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์นั่นแหละที่มันเป็นไปอ่ะนะคือพื้นฐานแล้วเขาแยกออกอนะพูดพุดทธสาวกเขาแยกออกเมื่อแยกออกพระองค์จึงไม่ได้ เ, เลยใช้คำว่าตถาคตชาติที่แล้วเคยเป็นอะไรงน้นอา่าดูก่อ น, นะนอนุนเธอจะไปเข้าใจผิดว่ า, เ, าเวลามะพรามา น, น่นะเช่นนะถ้าถ้าตร ก, การนาถาบินิกะ บางทีท่านจะไปคิดว่าเวลามาพรามณ์คือคนอื่นที่แท้ก็คือเราตถาคตนั่นแหละทั้งศัพท์เนี่ยใช้กับคนที่เขาเขาแยกแยะอะไรเป็นอยู่แล้วันกขันห้น า, น เ, น เ, าเท่านั้นแหละที่สืบเนื่องกันแต่ขันห้าในภพนั้นเกิดจากกรรมอย่างหนึ่งที่เป็นปัจจัยนําสู่ปฏิสนธิเนื่องจากผู้อกรรมอันนั้นมีวิชาเป็นปัจจัยทีนี้เมื่อมี ขันอันนั้นเกิดขึ้นเนี่ยก็ยังมีอวิชชาอีกอวิชชาก็เป็นปัจจัยแก่การทํากรรมเนี่ยนะก็เป็นปัจจัยแก่กรรมก็นําปฏิสนธิปฏิสนธิก็เป็นปัจจัยแก่อวิชชาให้ทํากรรมอีกก็วัตตะก็เป็นไปอย่างนี้ไม่มีสัตว์อยู่จริงแต่วโหารว่าที่ใช้คําว่าเราเนี่ยเป็นสันตติเดียวกันกับสิ่งนี้สันตติสืบเนื่องกันมาเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าคุยแบบคนรู้กันเนี่ยนะกระตำนวลเอาวงในแต่ถ้าตรงนี้เขาพื้นฐานของหลักลับที่ว่าเป็น อัตตาอยู่แล้วเนี่ยนะละที่ว่าเป็นสัตว์ทีนี้ต่อไปนะก็ก็ถามว่าสัตว์ตายแล้วเป็นอีกก็มีไม่เป็นอีกก็มีอย่างนี้เท่าอสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าหรือ น, นะะคือเขาถามว่าบางคนตายแล้วศูนย์บางคนตายแล้วเที่ยงใช่ไหมเขาถามแบบนี้นะอันนี้ก็นนผสมกันคือเขาเขาแยกเป็นคนๆหน่อนะ เขาแยกว่าคนเนี่ยเที่ยงคนนั้นศูนย์เช่นเขาถือว่าพระพรหมเนี่ยเที่ยงแต่พวกแกไม่เที่ยง่ะพวกคนที่เหลือไม่เที่ยงหรอกหมาพรหมท่านเที่ยงอยู่คนเดียวอ่ะ น, น, นะนะผู้เป็นใหญ่อ่ะเที่ยงแต่สัตว์เราอื่นไม่เที่ยงอย่างเงี้ยก็รับที่นี่นะท่านท่านเห็นแบบนั้นใช่ไหมถ้ามาถามชาวพุทธเราชาวพุทธเราอาจะคิดว่าพระหัตถตายแล้วก็ศูนย์แต่ว่าคุณชนที่ตายยังเที่ยง ก็ถ้าบอกว่าพระทหารตายแล้วศูนย์ไงทพลท่ลัทิชนิดหนึ่งเอาจริงๆอะความเป็นพระทหารคืออะไรถ้าแยกแยะส่วนนี้ไม่ได้นะถ้ายิ่งคิดเรื่องนี้ต่อเนี่ยมีวันก่อน อ, อยู่ที่กรุงเทพอยอมเขาโทรมาคุยด้วยถ้าใครถือว่าเขาอ่านพระไตรปิฎกมาเนี่ยก็บอกถ้าใครถือว่าพระทหารตายแล้วศูนย์เนีเป็นไิ่ชาติทิฏฐิ เพราะฉะนั้นเขาเข า, เข า, เ, ขาเขาพยายามจะคิดว่าผ้าหันเนี่ยเที่ยงเพราะเขาจะไม่คิดว่าศูนย์ใช่ไหมเขาคิดต่าเที่ยงเรารู้เลยว่าพื้นฐานนี้เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอยู่ๆแล้วไอ้ความเป็นผ้าหาันของเขา่าาคืออะไรอนะเราตั้งคําถามต่อไปอีกอนะแต่ทีนี้ว่าปัญหารัศดรที่หรือปัญหารเรื่องที่ติปกติเขาจะไม่เอาไปคุยทั่วๆไปเพราะว่าสงครามน้ําลายมันจะเกิดขึ้น แล้วจะทําให้สงครามอื่นๆติดตามมาสงครามหมัดสงครามมวยสงครามอื่นๆติดตามมาอีกนะนั่นเขาก็พยายามว่าถ้าไม่มีคนรู้จริงในเรื่องนั้นคุยแล้วมันวุ่นวายที่สุดเลยนะแล้วไอคนที่มีรัฐที่เก่ามันจะยิ่งขึ้นไปอีกหนักกว่าเดิมขึ้นหนักขึ้นอย่างโวาหารว่าผ้าหันของเขาเนี่ยคืออะไรเนี่ยนะแล้วก็ ผู้ไกลาจากกิเลสเนี่ยนะก็ต้องกล้องมาค่อยๆไล่นะไกลาจากกิเลสกําจัดข้าศึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักผู้ควรแก่เครื่องสักการะไม่มีความลับในการกระทําบาปแล้วทําไมเขาจึงทําแบบนั้นได้เพราะอะไรก็ไล่อ้อด้วยหนาตของอรหัตตมักอรหัตตมักรู้แจ้งอะไรเนี่ยนะก็ไล่อย่างเงี้ยสาวไล่ไล่ไล่ไล่ไ่ไปเรื่อยหรืออีกสา์หนึ่งท่านใช้คําว่าพระขีณาศพเนี่ยนะขีณาสวะขีณะแปลว่าสิ้นแล้ว บวกอาสวะเข้าเป็นผู้สิ้นอาสวะแล้วอาสวะคืออะไรเนี่ยนะแล้วอาสวะไปยึดถืออะไรถ้ายังมีอาสวะเนี่ยมันคืออะไรอันนั้นก็ ก, ก็ก็ถามลักษณะ น, นี้ไปเรื่อยๆค่อยๆแยกไปแต่ถ้าแยกไม่ได้ถึงเราเองเหอะผ่ารหันเนี่ยสมมติถ้าเราพูดแบบไม่แยกอะไรเลยนะไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของสังฆตาทำอะไรเลยผ่ารหันตายแล้วไม่เกิดอีกนั่นแหละคืออุชเชททิฐิเนี่ยนะเพราะฉะั้นของเราเองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นนะ เมื่อไหรที่มองเห็นเป็นสัตว์แล้วคิดเรื่องสัตว์แล้วเที่ยงหรือศูนย์เนี่ยเมื่อนั้นแหละไม่เข้าศาสตาก็อุเฉศเนี่ยนะขนาดฟังธรรมนะนะเมื่อไรท่ที่คิดเองอะนะคิดเองเมื่อไรเนี่ยโดยมากจะจะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะ